มีภาษารีบุตรและพระโมคขลานะเป็นหัวหน้าไปถึงจาตุมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นปลาศัยกับภิกษุเจ้าถิน่นจัดเสนาสนะเก็บปาดและจีวรมีเสียงดังพระผู้มีพระภาคตรัสเรีพระอ น, นุ์มาถามว่าดูก่อนอนนุ์เสียงที่ดังราวกับชาวประมงแย่งปลากันนั้นเป็นใครพระอ น, นุกลกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณห้าร้อยมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้ามาถึงจาตุมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุเหล่านั้นปลาสัยกับภิกษุเจ้าถินจัดเสนาสนะมีเสียงดังดูก่อนอนอนนถ้าเช่นนั้นเธอจงไปเรียกภิกษุเหล่านั้นมาพระอนุนทูลรับคำจึงเข้าไปหาพระภิกษุเหล่านั้นถึงที่พักได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่า พระาศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําพระอา น, นุ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรพระผู้มีพระภาคตรัส ก, กับพิสูจน์เหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุไรพวกเธอจึงพูดเสียงดังเหมือนชาวประมงแย่งปลากันพวกพิสูจน์เหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุประมาณห้าร้อยมาถึงจารุมาคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคปลาัยกับภิกษุเจ้าถิน่นจัดเสนาสนะเก็บบาทและจีวรจึงมีเสียงดังพระเจ้าข่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงพากันไปเราประนามพวกเธอพวกเธอไม่ควรอยู่ในสำนักของเราภิกษุเรานั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำพทักษิณเก็บอาสนะถือบาทและจีวร อ, ออกไปสมัยนั้นพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจาตุมาประชุมกันอยู่ที่เรือนรับแขกด้วยกรณียะบางอย่างเห็นพิสุเหล่านั้นมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาพิสุแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะพากันไปไหนเล่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพิสุสงฆ์ถูกพระผู้มีพระภาคประนามแล้วข้าแต่ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าเชนั้นขอท่านทั้งหลายจงนั่งอยู่นี่ครู่หนึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายอาจให้พระผู้มีพระภาคทรงอดโทษได้พิสูจเหล่านั้นรับคําของพวกสากยะชาวเมืองจาตุมาพวกเจ้าสากยะชาวเมืองจาตุมาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพ ร, ระภาคอย่งที่ประทับถวายบังคมแล้วณที่ควรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงเชิญชมกับภิสูจน์สงเถิด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 จะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปลไปหรือเปรียบเสมือนเมื่อลูกโคลออดไม่เห็นแม่จะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปลไปฉันใดภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นจะพึงมีความน้อยใจมีความพลนแปลไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงชื่นชมกับภิกษุสงเถิดขอจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ เสมือนที่พระพุทธองค์ทรงอนุเคราะห์ภิกษุสง์ในการก่อนเทิดครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพรมทราบพระพุทธดำ ร, ริแห่งพระไทยของพระผู้มีพระภาคจึงหายตัวจากพรมโลกมาปรากฏตรงพระพักของพระพุทธองค์แล้วระนมอัญเชลีกราบทูลวิงวอนให้พระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งกับภิกษุสง์โดยเปรียบด้วยข้าวกล้าอ่อนและเปรียบพระภิกษุสงทั้งหลายด้วยลูกคอ่อน เช่นเดียวกับที่เจ้าสากยะชาวเมืองจาตุมาได้เปรียบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยในคําวิงวอนของเจ้าสากยะและเท้าสหา ม, มวดีพรมพิกสุทั้งหลายจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเมื่อเราประนามพิสุทสง์แล้วเธอมีความรู้สึกอย่างไรพระสารีบุตรกล่าบทูลว่า บัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงไม่โปรดความวุ่นวายมีความขวนขวายน้อยแม้เราทั้งหลายก็ควรปฏิบัติเช่นนั้นสารีบุตรเธออยาคิดอย่างนั้นและพระองค์ตรัสถามพระโมคคัลลานะในคำถามเดียวกันพระโมคคัลลานะกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคไม่โปรดความวุ่นวายทรงมีความขวนขวายน้อยข้าพระองค์และท่านสารีบุตร จะช่วยการปกครองภิกษุสงในบัดนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละโมคขานะณะความจริงเราหรือสารีบุตรหรือโมคขาะณะเท่านั้นพึงปกครองพิกษุสงแล้วพระองค์ได้ตรัสเรียกภิสุทั้งหลายมาตรัสว่าดูก่อนพิษุทั้งหลายเมื่อบุคคลกำลังลงน้ำนั้นจะมีภัยอยู่สี่อย่างคือภัยเพราะคลื่นภัยเพราะจระเข้ภัยเพราะน้าวน ภัยเพราะปลาร้ายบุคคลในโลกนี้ก็ฉันนั้นเมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยพึงหวังได้ว่าจะพบภัยทั้งสี่อย่างนี้ภัยเพราะคลื่นเป็นฉันใดคําว่าภัยเพราะคลื่นนี้หมายถึงความคับใจด้วยความโกรธเมื่อคุณบุตรในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อนพรอาจันทร์ทั้งหลายย่อมกล่าวตักเตือนสั่งสอนคุณบุตรนั้นให้ก้าวเดินหรือถอยกลับอย่างไร ทรงสังคาติปาดและจีวร อ, อย่างไรกลุ่บุตรผู้บทใหม่ก็รู้สึกรำคาญคับใจบอกคืนลาสิขาบทสึกไปคำว่าภัยและคลื่นเป็นเช่นนี้ภัยพระจรเข้เป็นชนหน หมายถึงความเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องคือเมื่อกุลบุตรมีศรัทธาออกบวชเพื่อนพรมจร์ทั้งหลายย่อมตักเตือนสั่งสอนให้เคี่ยวกินในสิ่งที่ควรให้ฉันในสิ่งที่ควรและให้ฉันในเวลาที่ควรกุลบุตรที่ออกบวชนั้นก็คิดว่าเมื่อเป็นกัรลหัตปรารถนาจะเคี้ยวกินสิ่งใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้จึงบอกคืนสิขาสึไปเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้อง ไผ่พอน้ำวนเป็นไฉนหมายถึงกรมคุณทั้งห้าเมื่อคลบุรออกบวชเข้าไปบินธบาติอย่างบ้านอย่างนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่ดำรงสติเห็นขหาบดีหรือบุตข้หบดีเป็นผู้ที่เ อ, อิบอิ่มบำเพรอ้วยกรมคุณทั้งห้าจึงมีความคิดกลับสู่เพศกรหัตบอกลาสิขาเรากล่าวไัยนี้ว่าเหมือนภัยจากน้าบน ภัยจากปลาร้ายเป็นฉไฉนหมายถึงมาตุคามหรือหญิงนั่นเองเมื่อกลบุตรผู้มีศรัทธาออกบวชเข้าไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่ดํารงสติไม่สํารวมอินทรีย์เขาเห็นมาตุคามผู้นุ่งผ้าหรือห่มผ้าไม่เรียบร้อยเกิดความกําหนัดยินดีจึงบอกคืนสิกขาสึกไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัยทั้งสี่อย่างนี้ บุคคลที่ออกบวชเป็ น, นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้ย่อมได้พบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคยิ่งนักและสำเนียกว่าจักระวางตนให้พ้นภัยทั้งสประการนี้พระราดากล่าวโดยย่อภัยของภิกษุสามเณรโดยเฉพาะผู้บวชใหม่มีสประการคือเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้หนึ่ง ทนต่อคาสอนไม่ได้ขี้เกียจทําตามหนึ่งเพลิดเพลินทยานอยากได้สุขยิ่งๆขึ้นไปหนึ่งมีความกำหนัดรักใคร่ในหญิงหนึ่งภัยทั้งสีประการนี่แหละที่คอยเบียดเบียนคุกคามย่ำยีภิกษุสามเณรอยู่เนืองนิด พระมหาโมคลานะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถยังเวชยันปราสาทของเท้าสกเทวราชให้หวันไหวได้แม้เพียงเอาหัวแม่เท้ากดลงไปเท่านั้นก็ตามแต่ก็ไม่อาจพ้นจากความตายซึ่งมีอนุภาพใหญ่หลวง ครอบงำสัตวโลกทั้งพวงอยู่และไม่อาจพ้นจากผลแห่งอนันตเรียกรรมที่ตนเคยทําไว้แล้วได้เรื่องของท่านต่อไปนี้คราวหนึ่งพวกเดรธีคือพวกนักบวชลัทธิอื่นประชุมกันปราลบกันว่าบัดนี้ลาบสการะของพวกเราเสื่อมลงไปมากแต่ว่าลาบสการะเจริญขึ้นแก่พระสมณะโคดมและพระสาวกท่านทั้งหลายทราบหรือว่าเป็นเพราะเหตุใด คนหนึ่งในที่ประชุมนั้นกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าทราบสาเหตุนี้คือว่าสาวกรูปหนึ่งชื่อว่าพระมหาโมกขลานะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเที่ยวไปในเทวโลกสนทนากับเทวดาถามถึงบุญที่เทวดาทำอันอำนวยผลให้เขาไปเกิดในเทวโลกแล้วแล้วก็นำมาบอกแก่พวกมนุษย์ว่าเทวดาชื่อโน้นทาบุญทาความดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปเสวยความสุขอย่างนี้อย่างนี้ ในโลกทิพย์อันสําราญไปเที่ยวในนรกแล้วสนทนากับสัตว์นรกถามถึงกรรมที่เขาทําว่าทํากรรมอย่างไรจึงต้องมาเกิดในนรกต้องทนทุกทรมานแสนสาหัสถึงปานนี้เมื่อทราบแล้วก็นามาบอกแก่พวกมนุษย์ด้วยเหตุนี้คนจึงศรัทธาเลื่อมใสพระสมณะโคดมและสาวกของพระสมณะโคดมมากลาบสการะจึงเกิดขึ้นมากส่วนพวกเรา เสื่อมจากลาบสการะหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดรัถีผู้นั้นจึงกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเราสามารถฆ่าพระมหาโมคลานะเสียได้ลาบสการะจะเสื่อมจากพระสมณโคดมและเจริญขึ้นแก่พวกเราเป็นแน่แท้เดรัถีทุกคนเห็นชอบกับอุบายนั้นจึงวางแผนจ้างโจนคณะหนึ่งให้ฆ่าพระมหาโมคลานะ ขณะนั้นพระมหาโมคลานะอยู่ที่ตำบลกาและศิลาพวกโจรผู้เห็นแก่ค่าจ้างไม่กาลังถึงบาปุญคุณโทษจึงชวนกันไปล้อมที่อยู่ของท่านพระอักษรวกเบื้องซ้ายทราบว่าบัดนี้มีผู้ปองร้ายมาล้อมอยู่ที่อยู่อาศัยของท่านท่านจึงหนีไปเสียด้วยอํานาจแห่งฤทธิ์ของตนวันนั้นทั้งวันพวกโจรไม่เห็นพระเถระเลยวันรุ่งขึ้นจึงพากันไปล้อมอีก พระเถระทราบความที่พวกโจรมาล้อมเช่นวันก่อนท่านจึงเข้าฌานยังฤทธิ์ให้เกิดขึ้นทำลายมนทนช่อฟ้าเหาะขึ้นสู่อากาศหนีไปโดยนายนีในเดือนแรกและเดือนที่สองโจรไม่อาจจับพระเถระได้แต่พวกเขาไม่ได้ละความพยายามพอถึงเดือนที่สามพระเถระผู้อุดมฤทธิ์พิจารณาเห็นว่านี่คือการชักมาแห่งกรรมอันตนได้เคยทาไวแล้วจึงปรงสังขารไม่ได้หลบเลี่ยง พวกโจรสามารถจับท่านได้ทุบท่านจนกระดูกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นร้อยเหมือนข้าวสารหักพวกโจรแน่ใจว่าท่านมรณะภาพแล้วจึงโยนศพไปยังพุ่มไม้แห่งหนึ่งเมื่อพวกโจรไปแล้วพระมหาโมคคลานะผู้ยังไม่สิ้นชีวิตคิดว่าเราควรไปเฝ้าพระาศาสดาเสก่อนแล้วจึงนิพพานดังนี้แล้วประสานกระดูกด้วยเครื่องประสานคือชานคือข้าวชาและอธิษฐาน ให้อัตภาพของตนเรียบร้อยเป็นปกติทั้งเดิมแล้วเหาะไปสู่สำนักพระาศาสดาซึ่งเวลานั้นพระองค์ประทับอยู่ณนะเวรุวันคนครราชฤกถวายบังคมและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นดวงตาของโลกปัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ข้าพระองค์จะนิพพานข้าพระองค์ขอทูลลาปรินิพพานพระเจ้าค่าทรงสดับถ้อยคำกราบทูลลาของพระอัครสาวกอย่างสงบ อย่างผู้รู้เจนจบในความเป็นไปทั้งปวงแล้วตรัสถามอย่างอ่อนโยนว่าโมฆราณนะเธอจะไปนิพพานที่ไหนที่ตำบลกาและศิลาพระเจ้าค่ะทรงดุสณนีอยู่ครู่หนึ่งตรัสว่าโมฆราณนะเราปรารถนาฟังธรรมจากเธอเธอจงแสดงธรรมให้เราฟังสักหน่อยก่อนเพราะต่อไปนี้เราจะไม่ได้พบเห็นสาวกเช่นเธออีก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 ถวายบังคมพระโทษพลแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศแสดงฤทธิต์ ต, ต่างๆกล่าวทำเฉพาะพระพักของพระศาสดาแล้วทูลลาไปปรินิพานณตะบุกาและศิลาข่าวเรื่องการปรินิพานของพระมหาโมคคลานะกระชอนไปทั่วชมพูทถีป ร, รู้กันทั่วไปว่าพวกโจรเป็นผู้ฆ่าพระมหาเถระเสียแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูราชาแห่งแคว้นมคธ สรงให้ราชตำรวจตามจับพวกโจรพวกนั้นมาลงโทษให้ได้วันหนึ่งพวกโจรพวกนั้นนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในร้านสุราแห่งหนึ่งพอเมากันเต็มที่แล้วก็ลืมตัวเห็นความชั่วเป็นสิ่งที่ตนพึงอวดคนชั่วมีการทําชั่วเป็นปกติมั่งคั่งพังพร้อมไปด้วยความชั่วสั่งสมความชั่วมากเมื่อถึงคราวอวดก็ต้องเอาความชั่วหรือความชั่วที่ตนทํานั่นแหละออกมาอวดอวดพวกชั่วด้วยกัน ก็ต้องอวดว่าใครชั่วเหนือกว่ากันด้วยประการัชนีเมื่อโจนคนหนึ่งถ้องหลังของโจนอีกคนหนึ่งให้ล้มลงโจนที่ถูกถองนั้นโกรธจัดจึงคำรามขึ้นว่าไอ้หัวดือ้อทำไมมึงจึงท้องหลังกูโจนที่ถ้องหลังเขาก่อนอวดสักดาว่าไอ้โจนชั่วก็มหาโมคลาณะที่ว่ามีอิทธิฤทธิ์มากยิ่งใหญ่นั้นมึงหรือว่ากูที่ตีก่อน กูไม่ใช่หรือที่ลงมือตีก่อนใครอื่นจะประสาอะไรกับมึงอีกคนหนึ่งจึงว่ากูตีพระมหาโมคคลานะเหมือนกันมึงไม่เห็นหรือโจรทุกคนต่างขาอวดอ้างผลงานของตนคืออาชญากรรมที่ตนได้ทําแล้วทําแล้วทุ่มเถียงกันเสียงโขลมดังขึ้นดังขึ้นจาระบุุษของพระเจ้าอาชาติรััตรูได้ยินเสียงดังนั้นจึงจับโจรพวกนั้นไว้ทั้งหมด แล้วกราบทูลแด่พระราชาในการสอบสวนโจรพวกนั้นซัดทอดไปถึงเดรถีคณะหนึ่งว่าเป็นผู้ว่าจ้างให้ทำด้วยรั์พันกหาปณะนะพระราชาจึงรับสั่งให้จับเดรถีพวกนั้นเท่าที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดรวมกับพวกโจรที่ร่วมมือกันฆ่าพระเถระเมื่อจับได้แล้วรับสั่งให้นาไปฝังหลุมลึกประมาณสะดือของแต่ละคนที่พระลาหลวง ให้กลบด้วยฟางและเชื้อไฟอย่างอื่นแล้วจุดไฟเผาเมื่อเห็นว่าพวกนั้นถูกไฟไหม้แล้วจึงรับสั่งให้ถ่ายด้วยถ่ายเหล็กทำให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยรับสั่งให้เอาโจนสี่คนเสียบเปล่าประจานไว้เย็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าหน้าสังเวชจริงหนอพระมหาโมคคลานะบรณภาพดยลักษณะที่ไม่สมควรแก่ท่านเลย พระศาสดาเสร็จมายัางธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่พิสุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าพิกษุทั้งหลายโมคลาณะมรณะภาพไม่สมควรแก่ตนในอัตภาพนี้ก็จริงแต่สมควรแก่กรรมของตนที่เคยทำไว้ในชาติก่อน ทั้งหลายทูลถามถึงบุปกรรมของพระเถระพระศาสดาจึงตรัสเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตการโมคคลานะเกิดเป็นกุลบุตรผู้หนึ่งในกรุงพาราณสีปนิบัติมารดาบิดาอย่างดีทุกอย่างเป็นที่รักชื่นใจของพ่อแม่มารดาบิดาเห็นใจเขามากเพราะต้องทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้านปรารถนาให้มีความสุขจึงขอร้องให้เขาแต่งงานกับสตรีที่เหมาะสมสักคนหนึ่ง โดยที่ท่านทั้งสองจะจัดการให้เองแต่ว่าคุรบุตผู้นั้นไม่สมัครใจเขาบอกมารดาบิดาว่า <_ S 1> เขาพอใจปฏิบัติพ่อแม่ไม่ต้องการหญิงสาวมาเกี่ยวข้องเขามีความสุขจากการที่ได้ปนนิบัติพ่อแม่ท่านทั้งสองเห็นลูกเหน็ดเหนื่อยก็สงสารเห็นใจอยากให้มีผู้ช่วยแบ่งเบาภาระจึงนำสตรีสาวคนหนึ่งมาให้ให้คลองรักกันฉันสามีพรรัญญา หญิงนั้นบำรงแม่ผัวอยู่ได้ประมาณสักสองสามวันก็เอื่มระอาไม่ปรารถนาเห็นท่านทั้งสองเลยติเตียนมารดาบิดาต่างๆให้สามีฟังสรุปว่าไม่อยากจะอยู่ร่วมกับท่านทั้งสองแต่คลบุตรผู้นั้นไม่เชื่อพัญญาจึงทำเฉยหญิงนั้นก็ไม่ละความพยายามเมื่อสามีออกไปนอกบ้านเธอก็เอาเชือกปอบางกานปอบังฟองเข้าต้มบัง ไปเรียรายไว้ให้รกรุงรังเลอะเทอะไปหมดเมื่อสามีกลับมาเห็นดังนั้นจึงถามว่านี่อะไรกันนางนั้นบอกว่านี่แหละคือผลงานการกระทําของมารดาปิดาท่านแกตาบอดแล้วเที่ยวทําเรือนให้ศพปลกไว้ทุกแห่งฉันทนไม่ไหวจริงๆฉันไม่ต้องการอยู่ร่วมกับคนแก่อย่างนี้อย่างนี้ดูเถิดพระราดาสิ่งที่คิดไวอ้อย่างหนึ่งกลับเป็นเสียอีกอย่างหนึ่ง มารดาบิดาสงสารลูกเห็นใจลูกจึงนําหญิงสาวมาเพื่อช่วยเหลือลูกให้มาอยู่เป็นมิตรของตนเพื่อช่วยเหลือตนและลูกแต่ว่ากลับมาเป็นศัตรูของตนเสียในเวลาที่ไม่นานเลยบางคนชิงชังเกลียดลูกสะพายกิจกันไม่ปรารถนาให้บุตรของตนได้แต่งงานกับหญิงที่บุตรของตนรักแต่ว่าหลังแต่งกันแล้วลูกสะพายเป็นคนดีรู้จักปรนิบัติเอาใจพ่อแม่ของสามี จนในที่สุดท่านทั้งสองรักเธอยิ่งกว่าลูกของตนก็มีดูเถิดพระราดาสิ่งที่คิดไว้อาจไม่เป็นอย่างที่คิดสิ่งที่ไม่เคยคิดอาจเกิดขึ้นได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปด้วยเหตุปัจจัยไม่ใช่เพียงแต่ว่าคิดเอาอย่างเดียวเมื่อพัญญาบ่นพร่ำอยู่อย่างนั้นบ่อยๆกุล บ, บ, บุตรผู้นั้นแม้เป็นผู้มีบรารมีอันบําเพ็ญไว ม, มากก็เหนื่อยหนายในมารดาบิดา ซึ่งแตกต่างจากท่านทั้งสองเขาพูดกับปัญญาว่าเอาเถิดฉันจะจัดการเรื่องนี้เองวันหนึ่งเขาให้มาดาบิดาบริโภคแล้วกล่าวว่าพวกญาติในบู่บ้านโน้นต้องการพบคุณพ่อคุณแม่กระผมจะพาท่านทั้งสองไปเขาให้ท่านทั้งสองขึ้นสู่ายาโนยแล้วก็พาไปมาถึงกลางดงจึงลวงว่าขอคุณพ่อคุณแม่จงถือเชือกไว้ โคทั้งสองจกเดินไปเรื่อยๆด้วยการใช้ปะตักเพียงเล็กน้อยในที่นี้มีพวกโจรซุ่มอยู่ผมจะลงไประแบิดระวังดังนั้นแล้วมอบเชือกไปในมือของบิดาลงไปสักครู่หนึ่งเปลี่ยนเสียงเหมือนว่าเป็นเสียงโจรซุ่มอยู่มานดาบิดาได้ยินเสียงนั้นเข้าใจว่าพวกโจรซุ่มอยู่จริงกล่าวว่าลูกเ อ, อ๋ยพ่อและแม่แก่แล้วจะตายก็ช่างเถิด ขอเจ้าจงรักษาตัวของเจ้าให้พ้นภัยบุรุษนั้นทําเสียงดุดโจรมุ่งเข้ามาหาคุณชราทั้งสองทุบตีมารดาบิดาผู้คล่ําคลนอยู่ว่าลูกเอ๋ยพ่อและแม่แก่แล้วจะตายก็ช่างเถิดขอเจ้าจงรักษาตัวของเจ้าให้พ้นภัยดังนี้จนสิ้นชีวิตทิ้งไว้ในดงแล้วกลับไปดูก่อนท่านผู้เกรงภัยในวัตฏะความหลงผิด ทำให้คนเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ขณะมารดาบิดาคลั่งครวญถึงความปลอดภัยของเขาอยู่นั่นเองเขาได้นำภัยมาสู่ท่านทั้งสองโดยไม่ได้ประวันถึงบาปกรรมและไม่สะเทือนใจในเสียงคลั่งครวญของท่านเลยพระาศาสดาครั้นนำบุปกรรมของพระมหาโมคคลานะมาเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้แล้วกลัดต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายโมคคลานะทํากรรมหนักอย่างนี้ในอัตภาพนั้นแล้ว ไปบังเกิดในน ร, รกหมกไหมยอยู่เป็นเวลาหลายแสนปีแต่วิบากกรรมยังไม่สิน้นถ้าถูกทุบตีจนแหลกละเอียดอย่างนั้นถึงร้อยอัตภาพมาแล้วพิสุน์ทั้งหลายโมคลาณนะถึงมรณะกรรมไม่เหมาะสมแก่กรรมในปัจจุบันก็จริงแต่เหมาะสมแก่กรรมที่ตนได้ก่อไว้ในอดีตโดยแท้ส่วนพวกเนรทิจานนมากประทุสรายต่อท่านผู้ไม่ประทุสร้ายก็ถึงมรณกรรมเหมาะแก่กรรมของเขาเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประทุสร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุสร้ายย่อมได้รับภัยพิบัติ1ิบประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งหนึ่งถึงความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความแตกสลายแห่งสรีระเช่นการถูกตัดมือตัดเท้าหรืออุปัรรคเหตุอันทำให้อวัยวะพิการหนึ่งอาพาธหนักหนึ่งจิตฟุ้งซ่านหนึ่งอุปสรรคขัดขวางจากพระราชา หรือผู้เป็นใหญ่หนึ่งถูกกล่าวตูอย่างร้ายแรงหนึ่งความย่อยยับแห่งเครือญาติหนึ่งความเสียหายแห่งโภคะทั้งหลายหนึ่งไฟย่อมไหม้บ้านเรือนของเขาหนึ่งนอกจากนี้เมื่อเส้นชีพแล้วย่อมไปบังเกิดในนรกดูก่อนท่านผู้เกรงภัยในวัตตะพระอัครส า, าวกผู้เลิศเดลิศมีอนุภาพมากถึงปานี้ ก็ยังเคยทำกรรมหนักเช่นอนันตเรียกรรมและได้เสวยผลแห่งกรรมนั้นเป็นเวลานานแต่ว่าในที่สุดท่านก็พ้นกรรมได้ด้วยความเพียรพยายามทำตนให้บริสุทธิ์จากการหมดจดจากกิเลสทั้งหลายด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าความสิ้นอาสวะเป็นอนิสงส์งสูงสุดแห่งการความเป็นคุณงามความดีทั้งหลายเพราะความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งมวลของหมู่สัตว์ เกิดขึ้นได้ด้วยมีอาสะวะเป็นปัจจัยสำคัญพระมหาโมคคลานะนิพพานไปแล้วแต่ว่าชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามที่สร้างไว้ในปัจิมภพของท่านยังคงอยู่และคงอยู่ต่อไปอีกนานเท่าที่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงอยู่ในโลกตลอดไป